ตั้งกฎให้ผู้ที่กระทำความผิดจะแสดงว่าพระทำผิดมากเท่าไหร่ศีลและวินัยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างภิกษุณีทําไมมีศีลมากก็เพราะว่าภิกษุณีทําผิดมากทําอะไรทําอบัตหยุ่มยิ่มไปหมดะพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยคุ้มครองปกครองไม่ให้ทําความผิดนานั้นนๆะ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 เรื่องอะไรขนาดไหนคําว่าหยุมหยิม่มฮะพระนรนกราบไม่ได้กราบทูลเพราะเหตุว่าพระนรนพุได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระอานรน์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ใจของพระนรนยังหวั่นไหวไกวแกว้งคล้ายๆแบมีความสดสังเวชเึกๆในใจวิตกกังวลพูดง่ายๆพระอานนรนยังวิตกกังวล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 พระสงฆ์จะถอนก็ถอนได้นะอา n o ์พระพุทธองค์สั่งอย่างนี้แต่พระมหาการปะถามว่าพระพุทธองค์สั่งอย่างนั้นโดยกลุ่มไหนกฎหมายกลุ่มไหนกฎกติกากลุ่มไหนข้าบทแถวไหนพระอนุ์บอกว่าข้าพระองค์กระผมไม่ได้ถามเพราะว่าจิตใจพิทกกังวลในช่วงนั้นพระสงฆ์ก็ตำหนิตำหนิพระอนุนว่า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 ก็เลยคงไว้ทั้งหมดะในหลักพระธรรมพินัยทำคําสอนเกี่ยวกับพินัยกฎระเบียบแบบนั้นะให้พวกเราที่ยังไม่ได้เคยได้ยินกับฟังเอาไว้เนี่ยนี่แหะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลไม่ท่านว่าท่านอ <Hey. S 1> นิ่งดูได้เรียกว่าท่านรับโดยที่ไม่ได้คิดแต่อ่านท่านรับแต่การกลองไต่ตรองไว้แล้วแต่เราก็เห็นด้วยนะอ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 ให้สงศ์ได้รับความพรมเย็นเป็นสุขภาสุขได้เพราะพระวินัยถ้าหาว่าไม่มีวินัยพระสงฆ์จะอยู่ด้วยความภาสุขได้อย่างไรถ้าจากนั่งลงมากับศีลห้าสำหรับฆราวาสสำหรับพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมทามาหาเรียยงชีพจะรักษาศีลสองยิอย่างพระเนี่ยก็คงจะรักษาไม่ได้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 เรื่องของจิตใจพระพุทธเจ้าให้ตัดอย่าไปคิดอย่าไปร้องรำทำเพลงให้อยู่ในความสงบตัดใจตัวเองอันนี้ก็คือสี่ข้อที่แปดข้อที่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดก็คือมาลากาันทาวิเลตัดกลิ่นออกจากจมูกอย่าไปลูกปลยแต่งตัวหรูล้าอูอา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 ไม่ถึงร้อยปีนะจบหรือร้อยกว่าปีหน่อยๆแล้วก็จบอถึงบางทีเลี้ยงดีเออไขมันอุดตันอีกยิ่งไปเร็วอีกต่างหากหเพราะฉะนั้นเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนเลี้ยงเถอะเอมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เลี้ยงใจนะที่นี่อย่าไปเลี้ยงแต่กายให้เลี้ยงใจใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิ คิดไปในทางที่ถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องแล้ ว, ลวทําก็ถูกต้องพูดก็ถูกต้องจะทํายังไงจึงจะรู้ว่าถูกต้องหรือผิดมิจฉาทิฏฐิที่ ع, ชั่มมาทิฏฐิอันนี้เราต้องศึกษาต้องศึกษาอต้องศึกษาตามธรรมคาสอนเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้อันนี้ผิดคิดผิดอันนี้คิดถูกนี้ทําผิดอันนี้ทําถูกอันนี้พูดผิดอันนี้พูดถูกเอเพราะฉะนั้น